จเจริญพรท่านสาธุชนผู้มีจิตฝ่ายบญฝ่ายกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านมีความตั้งใจมาวัดเพื่อมา สะสมบุญบารมีเพื่อเอาสิ่งที่มีอยู่มาฝากไว้ในธนาคารบุญคือเราเอาทรัพย์ภายนอกมาแปลงเป็นทรัพย์ภายในเหมือนกับเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคาร แต่เงินนี้ไม่ได้เป็นเงินที่เรามาฝากเราเอาบุญมาฝากเพราะเราเชื่อว่าบุญนี้เป็นสิ่งที่จะติดตัวไปกับเราได้เราสามารถใช้ประโยชน์จากบุญที่เราได้นามาฝากไว้ในธนาคารบุญคือเมื่อเราไปเกิดพบต่อไป เราจะได้มีสิ่งที่ดีที่งามรอเราอยู่เหมือนกับที่เราได้พบกับสิ่งที่ดีที่งามในชาตินี้เพราะในอดีตแต่ชาติเราก็เคยสะสมบุญมาก่อนจึงทำให้เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ให้เรามีฐานะอยู่เย็นเป็นสุข ไม่เดือดร้อนไม่ลำบากลำบุญนี่เป็นอธิสงของบุญกุศลที่เราได้เคยทำไว้ในอดีตและเราก็มาทำต่อกันเพื่อเราจะได้มีอนาคตคืนพบหน้าชาติหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในพบนี้ชาตินี้ นี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ตัดสรู้ได้รู้เห็นกันเป็นสิ่งที่ท่านได้พิสูจน์มาแล้วกับตัวของท่านเองเห็นประจักษ์กับใจของท่านเพราะท่านเห็นใจนั่นเองเห็นใจที่เป็นตัวไปเวียนว่ายตายเกิด พวกเรายังไม่เห็นใจตัวนี้ทั้งๆ ท, ที่มันอยู่กับเรามันเป็นตัวเราแต่เรากลับมองไม่เห็นมันเหมือนกับเราเป็นคนตาบอดเราอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราแต่เราไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้เพราะตาเราบอดฉันใดใจของเราก็บอดเหมือนกัน บอดด้วยความหลงบอดด้วยอวิชชาความไม่รู้จึงทำให้เราไม่เห็นตัวเราที่แท้จริงไม่เห็นใจของเราเราเห็นร่างกายของเราว่าเป็นตัวเราแต่เราไม่เห็นใจที่เป็นตัวเราอย่างแท้จริงเราจึงไม่ค่อยให้ความสําคัญกับใจของเราเท่าไหร่ ไม่เค้าให้ความสำคัญต่อพบหน้าชาติหน้ากันเท่าไหร่เราให้ความสำคัญกับพบนี้ชาตินี้กับการกับความสุขที่เราจะหาได้ในชาตินี้แต่เราไม่คิดถึงความสุขที่เราจะมีต่อไปในชาติหน้าแต่พวกเราโชคดี ที่ได้มาเจอพระพุทธเจ้าได้มาเจอพระธรรมคาสอนได้มาเจอพระอาหารหันตสาวกพระอาาริยสงสาวกทั้งหลายที่นำเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นเอามาสั่งสอนพวกเราให้เราเข้าใจว่า ตัวเราที่แท้จริงนั้นตัวที่เดินทางไปนั้นไม่ใช่ร่างกายแต่เป็นใจใจที่ขณะที่กำลังรับรู้อยู่นี้ถ้าไม่มีใจจะไม่สามารถรับเสียงที่กําลังพูดอยู่ได้จะไม่เข้าใจถึงความหมายของเสียงที่พูดนี้ได้เพราะถ้าไม่มีใจแล้ว ร่างกายก็จะเป็นเหมือนกับคนตายคนตายนั่นแลคือร่างกายที่มไม่มีใจอยู่แล้วได้แยกทางกันแล้วไปกันคนละทิศคนละทางเหมือนรถยนต์ที่ถูกจอดทิ้งไว้ไม่มีคนขับก็จะจอดอยู่อย่างนั้นจะไม่รู้เรื่องจะไม่สามารถขยับขยื่นไปทำอะไรได้จนกว่าจะมีคนขับมาขับไป ร่างกายนี้ก็เช่นกันถ้าไม่มีคนขับคือใจก็จะไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ต่อไปไม่สามารถที่จะรักษาให้เจริญเติบโตไม่ให้เสื่อมไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้น่าไม่ให้เน่าไม่ให้แตกสลายไปได้เพราะไม่มีผู้ที่ดูแลรักษา คือใจนั่นเองใจนี่แหละคือตัวที่ไปเวดว่ายตายเกิดใจนี้เป็นเหมือนกับคนขับรถยนต์พอรถยนต์คันนี้พังไปคนขับรถก็ไปหารถคันใหม่ถ้าคนถ้ามีเงินมากก็ซื้อรถคันใหม่ที่ดีกว่าเก่าถ้ามีเงินน้อยก็ซื้อรถที่ไม่ดีกว่าคันเก่า ภพชาติของเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันหลังจากที่ร่างกายนี้แตกดับไปแล้วใจของเราก็จะไปเกิดก็จะไปหาร่างใหม่จะได้ร่างที่ดีกว่าเกา่าหรือเลวกว่าเกา่าก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่เราทำไว้ถ้าเราทำบุญอย่างสม่าเสมอไม่ทำบาปทำกรรมเราก็จะได้ร่างใหม่ที่ดีกว่าเดิม ถ้ามาเป็นมนุษย์ก็จะมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณสวยงามกว่าเดิมมีสติปัญญาความฉลาดรู้มากกว่าเดิมมีฐานะที่สูงกว่าเดิมหรือถ้าไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้เกิดเป็นเทพเกิดเป็นพรหมนะเพราะ อ, า น, อานิสงค์ของบุญเป็นเหตุที่ทำให้ไปเกิดอย่างนั้น ในทางตรงขนข้ามถ้าเราไม่ทําบุญกันมัวแต่ทําบาปเช่วนวันนี้มีคนเีกมากที่ไม่ได้เข้าวัดกันแล้วก็ไปทําบาปกันไปเล่นการพนันไปเสพสุรายาเมาไปยิงนกตกปลาไปกระทําสิ่งที่จะฉุดลากให้จิตใจตกลงไปสู่ที่ต่ำนะเมื่อต้องแยกออกจากร่างกายไปแล้ว ก็จะต้องไปได้ร่างที่ไม่ดีเท่ากับที่ดีอยู่เช่นไปได้ร่างของเดรัจฉานไปเกิดเป็นแมวบ้างเป็นสุนักบ้างเป็นจิ้งจกเป็นตุ๊กแกบ้างเพราะบาปกรรมที่ทำไว้ไม่ได้ทำบุญหรือถ้าไม่ได้ร่างของเดรัจฉานก็จะไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือเป็นสัตว์นรกขึ้นอยู่กับ บาปกรรมที่ทำไว้ว่ามีมากน้อยเพียงไรถ้าทำมากมากเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่ามนุษย์ด้วยกันอย่างนี้ก็จะไปตกนรกแต่ถ้าเพียงแต่รักเล็กขมยน้อยชอบกุพูดปดหมดเท็จโกหกหลอกลวง <c oughs> ก็จะไปเกิดเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างดังนั้น เราจรึงควรที่จะเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วนํามาสั่งสอนพวกเราเนื่องจากว่าพวกเรายังไม่สามารถเห็นได้ด้วยตัวของเราเองทั้งๆ ท, ที่เรามีความสามารถที่จะเห็นได้แต่เราไม่รู้จักเปิดตาในของเราตาในของเราถูกปิดด้วยความหลง ด้วยความโลภด้วยความโกรธจึงทำให้เราไม่เห็นใจของเราที่เป็นผู้รับผลของบุญและบาปที่ใจเป็นผู้กระทำจึงไม่เชื่อในเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ไม่เชื่อในเรื่องเวียนว่ายตายเกิดเพราะเห็นเพียงแต่ร่างกายที่ใจมาครอบครองอยู่เท่านั้น คิดว่าเมื่อร่างกายนี้แตกสลายไปแล้วเอาไปเผาก็กลายเป็นขี้เถ้าขี้ฐานไปไม่มีอะไรที่จะตามมาต่อไปแต่เราไม่เคยคิดเลยว่าแล้วเรามาเกิดได้อย่างไรเรามาอยู่ดีๆมาเกิดได้อย่างไรถ้าไม่มีใจจะมาเกิดได้อย่างไรนี่เราไม่เคยคิดกันนะถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเรา ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าทำบุญทำทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งในตาของเราที่มืดบอดในตาตาในของเราที่มืดบอดก็จะเกิดสกสว่างขึ้นมาเพราะว่าการกระทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นเป็นการชําระความมืดบอดที่ ครอบงำจิตใจนั่นเองเหมือนกับรถยนต์ที่มีฝุน่นมีโครนปิดบังกระจกหน้ารถไว้ทำให้ไม่สามารถมองทะลุออกมาข้างนอกได้แต่ถ้าเราเอาน้ำมาล้างกระจกชำระพวกฝุน่นพวกโครนต่างๆให้หมดไป กระจกก็จะใสสว่างขึ้นมาคนขับรถก็จะสามารถมองเห็นออกมาจากภายในได้สามารถเห็นทางเห็นอะไรต่างๆได้ใจของเราก็เป็นอย่างนั้นขณะนี้เรามองไม่เห็นเรื่องมองไม่เห็นนรกมองไม่เห็นสวรรค์มองไม่เห็นบาปมองไม่เห็นบุญมองไม่เห็นการเวียนว่ายตายเกิด มองไม่เห็นการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดมองไม่เห็นมรรคผลนิพพานกันก็เพราะเราถูกโคลนตรงแห่งโมหะคือความหลงโคลนตรงแห่งอวิชชาความไม่รู้บกปิดจิตใจของเราเราจึงไม่เห็นในสิ่งที่พระพุทธเจ้า และพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเห็นกันเราจึงไม่ค่อยกลัวบาปกันเราจึงไม่ค่อยมีความยินดีที่จะทำบุญทําความดีกันเรากลับมองสั้นๆเราชอบหาความสุขในปัจจุบันหาความสุขที่เป็นสุขเบื้องต้นแล้วก็เป็นทุกข์บ้านปลายเราไม่มองกลับกันว่า มีความสุขอีกชนิดหนึ่งที่เป็นความสุขเบื้องบ้านปลายแต่เป็นความทุกข์เบื้องต้นความสุขที่เป็นความสุขเบื้องต้นแล้วเป็นความทุกข์บ้านปลายก็คือความสุขที่พวกเราแสวงหากันจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทวพะต่างๆเช่นความสุขจากการได้ดูหนังดูละครได้ฟังเพลง ได้รับประธานอาหารที่ถูกอกถูกใจได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้ซื้อข้าวซื้อของต่างๆที่ไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพคือของฟุ่มเฟือยทั้งหลายเช่นเครื่องสำอางน้ำหอมเสื้อผ้าสวยๆงามๆที่มีมากกว่าความจำเป็น และเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆเรามีความสุขกับสิ่งเหล่านี้เวลาที่เราออกไปเดินตามห้างสรรพสินค้าแล้วเราซื้อสิ่งของต่างๆมาเราจะมีความสุขกันแต่ความสุขแบบนี้มันจะไม่สุขไปตลอดเพราะว่าเมื่อร่างกายของเราแก่ลงไปเรื่อยๆต่อไปก็จะไม่มีกำลังวังชา ที่จะไปทำอย่างที่เราเคยทำได้เมื่อเราไม่สามารถหาความสุขแบบนั้นได้เราก็ต้องอยู่ในบ้านเราก็จะรู้สึกเศร้าซ้อยหงอยเหงาโงดงเหียดและถ้าร่างกายของเราเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะต้องทุก์ทรมานใจและเมื่อใกล้ตายเราก็จะยิ่งมีความทุกข์มากขึ้นไปเรื่อยๆ นี่เป็นเพราะว่าเราหาความสุขภายนอกนั่นเองที่เป็นสุขเบื้องต้นแล้วก็เป็นทุกข์บ้านปลายแต่ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเรามาทําตามที่พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะลำบากหรือยากเป็นเหมือนกับเป็นความทุกข์สำหรับพวกเราเพราะ การที่จะทำตามพระพุทธเจ้าได้นั้นมันสวนกระแสะกับความต้องการของเรานั่นเองจึงทำให้รู้สึกว่ามันทุกข์มันยากมันลำบากเช่นวันนี้เราต้องตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะมาทำบุญที่วัดกันถ้าไม่ถ้าไมมาวัดไม่ติรนเราก็ไม่ต้องตื่นแต่เช้าเรานอนถึงเวลานี้ก็ยังนอนได้อยู่ นอนอย่างสุขอย่างสบายเงินทองในกระเป๋าก็ไม่ต้องเสียไปเอาเงินที่มาทำบุญนี้ไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆดีกว่าสำหรับคนบางคนจะคิดอย่างนั้นถ้ายังเห็นความสุขทางโลกอยู่ว่าสำคัญกว่าความสุขทางธรรมนะแต่ถ้าเราเห็นว่าความสุขที่เกิดจากการทำบุญนี้มีคุณค่ากว่าความ สุขที่ได้จากการนอนหลับนอนตื่นใช้สายไปซื้อของฟุ่มเฟือยมาใช้เราเอาเรายอมเสียสละเงินก้อนนี้มาทำบุญเรายอมตื่นแต่เช้าไม่นอนสายถึงแม้จะรู้สึกลำบากบ้างก็ตามแต่มันจะส่งผลให้จิตใจของเรามีความสุข จะมีความรู้สึกพอใจมีความภูมิใจเพราะการกระทําบุญการกระทําความดีเป็นการให้อาหารกับใจนั่นเองไม่ต่างกับการไปเที่ยวไปไปดูละครไปฟังเพลงไปซื้อของฟุ่มเฟือย น, นั้นไม่ได้ให้ไม่ได้เป็นอาหารกับใจแต่เป็นยาพิษ พอทำให้ใจเกิดความหิวเกิดความอยากเพิ่มมากขึ้นไปสังเกต ด, ดูเราตั้งแต่เกิดมานี่เราไปเที่ยวเราไปกินไปดื่มไปดูหนังฟังเพลงไปซื้อของฟุ่มเฟือยมามากน้อยเพียงไยแล้วเราเคยถึงจุดอิ่มพอบ้างหรื อ, อยังหรือว่ายังอยากที่จะทําอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเพราะว่า มันไม่ได้เป็นวิธีที่จะให้ความอิ่มความพอกับใจนั้นเองแต่การทำความดีเช่นเสียสละทรัพย์ส่วนตัวของเราเพื่อนำมาช่วยเหลือผู้อื่นสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นกับทำให้จิตใจเรามีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจแล้วถ้าเราทาได้มากเท่าไหร่แล้วต่อไป เราจะไม่ค่อยมีความต้องการที่จะไปเที่ยวที่ไหนไม่ต้องการที่จะซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆไม่ต้องการที่จะดูหนังฟังเพลงดูละครไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี่เพราะมันไม่ได้ให้ความอิ่มความพอเหมือนกับการทําความดีการได้ทําบุญการได้รักษาศีลการได้ปฏิบัติธรรม การได้ฟังเทศฟังธรรมการกระทำเหล่านี้เป็นการให้อาหารกับจิตใจเป็นการสะสมความสุขภายในใจที่จะอยู่กับใจที่อยู่ติดไปกับใจของเราไปและจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนเป็นความสุขที่เต็มเปี่ยมอยู่ภายในใจที่จะไม่จางสลายหายหายไป นี่เป็นผลที่พระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญมาจนจิตใจของพระพุทธเจ้านั้นมีเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขที่เราได้ยินพระบาลีที่สอนไว้ว่านิบานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นพระเป็นบร ม, มสุขนี่ก็คือจิตใจที่ได้ทาความดีจนมีความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจ มีความดีเท่านั้นคือบุญและกุศลที่จะสร้างความสุขให้กับจิตใจของเราและจะไม่สูญสลายไปเมื่อเราตายไปแล้วเพราะมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันไม่ได้อยู่ที่เข้าของเงินทองมันไม่ได้อยู่กับคนนั้นหรือคนนี้แต่มันอยู่กับใจของเราดังนั้นเมื่อใจของเราต้องแยกออกจากกาย ต้องไปสู่พบใหม่ชาติใหม่ใจก็จะขนความสุขนี้ไปด้วยแต่ความสุขภายนอกที่ได้จากการมีเข้าของเงินทองต่างๆมีคนนั้นคนนี้ให้ความสุขกับเรามีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆให้ความสุขกับเราของพวกนี้เราเอาติดตัวเอาติดใจไปไม่ได้ เมื่อตายแล้วเราก็ต้องทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปหมดแล้วถ้าเราไม่ได้สะสมบุญไม่ได้สะสมความสุขภายในใจไม่ได้สะสมทรัพย์ภายในใจไว้แล้วเวลาใจต้องเดินทางไปใจจะไปแบบคนไม่มีความสุขติดตัวไปด้วยจะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเศร้าโศกเสียใจมีแต่ความ อะไรอววรเพราะว่าใจไม่ได้สะสมบุญไว้นั่นเองใจอาศัยความสุขจากสิ่งภายนอก <c oughs> เมื่อถึงเวลาต้องจากกันเวลานั้นก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจเป็นอย่างยิ่งสังเกตดูเวลาที่เราต้องจากคนที่เรารักไปเราจะรู้สึกอย่างไรเวลาที่เราจะต้องอยู่คนเดียวไม่มี ใครเป็นเพื่อนไม่มีอะไรดูไม่มีอะไรฟังเราจะรู้สึกงอยเงาเศร้าซ้อยงอยเงาไม่มีความสุขเลยแต่คนที่ทำบุญอยู่เรื่อยๆทำบุญให้ทานรักษาศีลแล้วรู้จักนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบรู้จักปลงอนิจจังทุกขังอนัตตาคือรู้จักปล่อยวาง รู้ว่าสิ่งต่างๆในโลกที่มีอยู่กับเราจะไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดสักวันหนึ่งเราจะต้องอยู่คนเดียวเราก็เลยหัดอยู่แบบอยู่คนเดียวเสียตั้งแต่บัดนี้ไปคืออยู่กับใครก็ได้หรือไม่อยู่กับใครก็ได้สิ่งเหล่านี้เราฝึกทำใจได้ใจเราสามารถสอนให้ปล่อยวางได้ ถ้าใจรู้ว่ามันเป็นคุณเป็นประโยชน์เราต้องสอนใจว่าถ้าเรายังยึดติดอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้กับคนนั้นกับคนนี้อยู่มันจะสร้างความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจให้กับเราในยามที่เราต้องจากกันไปแต่ถ้าเราหัดทําใจเตือน สมมุติอยู่เรื่อยๆว่าเราจะต้องอยู่คนเดียวสักวันหนึ่งคนที่เรารักคนที่เราชอบสักวันหนึ่งก็ต้องจากเราไปแ ล, แล้วเราก็ต้องอยู่คนเดียวเราก็หัดสมมุติว่าเราอยู่คนเดียวไปเรื่อยๆอย่าไปหวังพึ่งอะไรจากเขาอย่าไปต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้จากเขาอย่าไปให้เขาต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เรามีความสุข ถ้าเราฝึกทำอย่างนี้ได้แล้วต่อไปเราจะอยู่คนเดียวได้เราไม่จำเป็นจะต้องมีอะไรวิธีฝึกที่ง่ายที่สุดก็คือการมาอยู่วัดนี้เองด้วยการจะอยู่วัดยาวหรือสั้นก็สุดแท้แต่คือมาอยู่วัดแล้วก็มาถือศีลแปดไม่มีอะไรเป็นเครื่องให้ความสุข ไม่ได้เอาแฟนมาด้วยไม่ได้เอาวิทยุโทรทัศน์มาด้วยไม่ได้เอาของกินของเคี้ยวต่างๆมาด้วยมาแต่ตัวเปล่าๆแล้วมาฝึกอยู่แบบเงียบๆหาความสงบด้วยการอ่านหนังสือธรรมะบ้ า, ากฟังเทศบ้างนั่งสมาธิบ้างถ้าเราฝึกทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้ว ต่อไปจิตใจของเราจะชินจะเคยกับการอยู่แบบนี้แล้วเราจะไม่รู้สึกว้าเหวยอย่างไรในเบื้องต้นจะรู้สึกว้าเหวบ้างเพราะไม่มีใครอยากจะอยู่คนเดียวไม่มีใครอยากจะอยู่เฉยๆทุกคนนั้นชอบอยู่ร่วมกันหลายๆคนแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกันดูหนังฟังเพลงด้วยกันเดิม ดื่มดื่มอาหารรับประทานอาหารดื่มเครื่องดื่ ม, มต่างๆด้วยกันแต่เป็นความสุขที่มันเกิดขึ้นชั่วขณะเท่านั้นเองแล้วมันก็หมดไปเวลาที่ไม่ได้ทําก็จะมีความว wow ้าเวเศร้าส้อยองหงอยเหงาเพราะใจไปติดอยู่กับการกระทําเหล่านั้นนั่นเองเราจึงต้องพยายามมาหักห้ามจิตใจของเราอย่าไปยึด ไปติดกับความสุขแบบนั้นเพราะมันเป็นสุขในปัจจุบันแล้วก็จะเป็นทุกข์ในอนาคตเรามาหัดอยู่แบบทุกข์ในปัจจุบันเช่นมาอยู่วัดมาบวชกันจะรู้สึกว่าเว่บ้างใหม่ๆจะรู้สึกเศร้าซ้อยหงอยเหงาแต่ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วต่อไป มันก็จะหายไปความรู้สึกว้าวเวก็จะหายไปความรู้สึกเศร้าซ้อยหงอยเหงาก็จะหายไปเราจะทำให้เราอยู่เฉยๆได้อยู่คนเดียวได้ไม่ต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องมีคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราและเราจะอยู่อย่างนี้ไปได้จนถึงวันตายเลยถึงแม้ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วย จะแก่ชราอย่างไรหรือจะตายมันก็จะไม่มาสร้างความเดือดร้อนให้กับใจเพราะใจไม่ได้ไปอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือแล้วนั่นเองเหมือนกับคนที่ไม่อาศัยรถยนต์เป็นเครื่องมือไปไหนมาไหนเวลารถเสียเขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรแต่คนที่ต้องใช้รถทุกวันจะต้องไปไหนมาไหน อยู่ทุกวันต้องอาสัยรถอยู่เวลารถเสียนี่ก็จะเกิดความหงุดหงิดใจเกิดความลำคาญใจเพราะไปไหนไม่ได้แต่คนที่ไม่ไปไหนคนที่อยู่บ้านอยู่ตลอดเวลาจะไม่เดือดร้อนเลยกับเวลาที่รถยนต์เสียไปหรือไม่มีรถยนต์ใช้จะไม่เดือดร้อนอะไรใจก็เช่นเดียวกันถ้าใจไม่อาศัยร่างกายไว้เป็นเครื่องมือให้ค่ หาความสุขให้กับใจแล้วร่างกายจะเป็นอะไรอย่างไรก็จะไม่ทำให้ใจของเราต้องทุกข์ต้องวุ่นวายเลยเราจะอยู่เฉยๆได้อย่างสบายเวลาตายใกล้จะตายก็นอนแล้วก็ภาวนาทำจิตใจให้สงบปล่อยให้ร่างกายมันหายใจครั้งสุดท้ายแล้วก็หยุดหายใจไปเท่านั้นเอง แต่จะไม่มีความทุรนทุรายไม่มีความวุ่นวายใจไม่มีความทุกข์ไม่มีความเศร้าโศกเสียใจไม่มีการเสียดายอะไรอววรกับอะไรทั้งสิน้นเพราะใจได้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนฝึกกันได้ลองมาทำกันดูลองถามตัวเราเองว่าเรายังต้องยึดติดเรายังยึดติดอะไรบ้าง สิ่งไหนที่มันไม่จำเป็นเราลองหยุดอาศัยมันดูสักพักหนึ่งเช่นดูโทรทัศน์นี่มันไม่จำเป็นเราลองอย่าไปดูมันสักระยะหนึ่งดูหนังฟังเพลงไม่มีความจำเป็นก็อย่าไปดูอย่าไปฟังมันกินอาหารก็ไม่จำเป็นจะต้องกินอาหารที่ อ, ร, อร่อยเสมอไปหาจกินอาหารตามมีตามเกิดบ้างเหมือนกับพระเวลาไปบิณฑบาต ได้อาหารอะไรมาก็กิกนมันตามมีตามเกิดอย่าไปเลือกอย่าไปจู้จี้จุกจิกอย่าไปฝันว่าวันนี้อยากจะกินอาหารชนิดนั้นอยากจะกินอาหารชนิดนี้อยากจะหาความสุขจากการดูหนังเรื่มนั้นดูหนังเรื่มนี้ลองลองเลิกวิธีเลิกเลิกการกระทำเหล่านี้ดูแล้วอยู่แบบเฉยๆบ้าง เช่นวันนี้วันเสาร์หลังจากกลับวัดกลับวัดไปแล้วก็ไม่ต้องไปไหนถ้าไม่มีธุระจาเป็นถ้าไม่ต้องไปจับจ่ายซื้อกับข้าวกับปลาอาหารเพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้องก็กลับไปอยู่บ้านเฉยๆเราอยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องเปิดโทรทัศน์ไม่ต้องเปิดเพลงฟังถ้าอยากจะฟังอะไรก็เปิดธรรมะเปิดเทศฟังฟังเทศเอาถ้าอยากจะ ดูอะไรก็เปิดหนังสือดูเปิดหนังสือธรรมะดูถ้าไม่อยากจะดูไม่อยากจะฟังก็ลองมานั่งทำสมาธิกันดูกาหนดจิตใจให้อยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรคิดแต่คำว่าพุทโธคำเดียวลองทำดูถ้าทำได้แล้วใจจะมีความสงบใจจะมีความนิ่ง เมื่อเวลานิ่งแล้วใจไม่หิวไม่กระหายไม่อยากกับอะไรสามารถนั่งอยู่เฉยๆได้เป็นเวลาอันยาวนานและมีความสุขด้วยจะไม่รู้สึกญหงุดหงิดใจรำคาญใจจะไม่รู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงาแต่อย่างใดจะมีความรู้สึกอิ่มมีความพอนี่เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราแล้วเพียงแต่เราไม่เคยทำให้มันเกิดขึ้นมาเท่านั้นเอง พองมัวไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอกยิ่งหาเท่าไหร่จิตใจของเราก็ยิ่งวุ่นวายขึ้นไปเท่านั้นเพราะบางทีออกไปหาแล้วก็ไม่ได้ดังใจก็เสียใจก็ผิดหวังเวลาได้ดังใจก็ดีอกดีใจก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นไปอีกก็ต้องไปหาอีกอยู่เรื่อยๆเป็นแต่เป็นความทุกข์ทางนั้นสู้หาความสุขในตัวของเรา ดีกว่าด้วยการควบคุมกายวาจาใจของเราให้ทำอะไรให้มันน้อยที่สุดเท่าเท่าที่จะทำได้คือให้ทำแต่สิ่งที่จำเป็นเช่นทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอย่างนี้มันจาเป็นเราก็ทำไปแต่ไม่จำเป็นจะต้องไปเที่ยวไม่จำเป็นจะต้องไปดูหนังฟังเพลงไปไปดื่มไปทำอะไรต่างๆ หันกลับเข้ามาอยู่ที่บ้านเราหันมาทํากิจกรรมภายในใจของเราถ้านั่งทําสมาธิไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนก็ได้ใช้บทสวดมนต์ที่เราจําได้สวดไปในใจสวดไปเรื่อยๆหลายๆรอบจนกว่าจะรู้สึกพอรู้สึกอยากจะหยุดก็หยุดดูดูว่าใจนิ่งใจสบายหรื อ, อยังถ้ายัาง ถ้ายังออกไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็กลับมาสวดใหม่ต่อสู้กับความคิดอย่าปล่อยให้ความคิดนี้มันคิดไปแบบไม่มีขอบไม่มีเขตเพราะมันไม่ได้นำความสุขมาให้กับเราการหยุดคิดนี้ต่างหากที่จะให้ความสุขกับเราแต่เราไม่สามารถหยุดคิดได้ด้วยความตั้งใจเราต้องมีอุบายแห่งสมาธิคือสวดมนก็ดี หรือบริกรรมพุทธโธพุทธโธก็ดีถ้าเราทําอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าอีกไม่นานใจของเราก็จะหยุดคิดเมื่อหยุดคิดแล้วเราจะได้เจอกับความสุขที่เราไม่เคยพบมาก่อนความสุขที่ดีที่เลิศกว่าความสุขภายนอกดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าสุขอื่นใดในโลกนี้ไม่มี เสมอเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตใจจิตใจจะสงบได้ก็ต้องหยุดคิดจะหยุดคิดได้ก็ต้องมีงการบริกรรมพุทโธพุทโธหรือการสวดมนต์แล้วก็มีสติควบคุมบังคับไม่ให้วับไปคิดเรื่องอื่นถ้าสามารถให้จิตอยู่กับบทสวดมนต์หรืออยู่กับคําบริกรรมพุทโธไปได้แล้ว ต่อไปจะได้พบกับความสงบอย่างแน่นอนจึงขอให้พวกเราทั้งหลายจงเห็นความสำคัญต่อทรัพย์ภายในคือความสุขภายในมากกว่าทรัพย์ภายนอกคือความสุขภายนอกขอให้เราพยายามลดละความสุขภายนอกแล้วหันมาเพิ่มความสุขภายในกันแล้วเราจะได้มีที่พึ่งอย่างแท้จริงเพราะเมื่อต่อไปเมื่อร่างกายของเรา ต้องแก่ลงต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและต้องตายไปใจของเราจะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับร่างกายเพราะเราไม่ได้อาศัยร่างกายไว้เป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเรานั่นเองจึงขอให้ท่านจงหมั่นมาวัดกันมาทำบุญทาทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านก็เช่นเดียวกันขอให้หมั่นรักษาศีลหมั่นปฏิบัติธรรม มันฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะไปเรื่อยๆแล้วจิตใจจะมีเครื่องหล่อเลี้ยงที่จะให้จิตมีความอิ่มมีความสุขมีความพอจึงขอให้ท่านจงได้นําสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปปฏิบัติตามสมควรแก่กําลังแห่งสติปัญญาศรัท ธ, ธาความเพียนเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดง ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนตรยัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านแค้วคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ